การปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มรักให้ได้ผลนี้ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพไม่ปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นเพราะถ้าไม่ปฏิบัติแบบมืออาชีพจะไม่ได้มรักได้ผลตามที่ต้องการนั่นเอง ถ้าสังเกต ด, ดูจะเห็นว่าผู้ที่ได้มรรคได้ผลนี้เป็นผู้ปฏิบัติมืออาชีพทั้งนั้นคือเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุณีเป็นสามเณรเป็นแม่ชีบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติมืออาชีพ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติมือสมัครเล่นก็คือข้ารหัสผู้ครองเรือนมักจะไม่ได้ยินว่ามีผู้ครองเรือนรายนั้นรายนี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอาจจะมีบ้างแต่เป็นจำนวนที่น้อยมากถือเป็นกรณีพิเศษกรณียกเว้นแต่ สำหรับผู้เป็นนักบวชในจะปรากฏเป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ครบาอาจารย์ทางสายของหลวงปู่มัน่นก็เป็นนักบวชกันทั้งนั้นไม่มีข่าวว่ามีขาวละหัด คาระวาสไล่นั้นรายนี้อาจจะมีบ้างแต่ไม่มากเหมือนกับนักบวชคือพระภิกษุเพราะว่าการได้เป็นพระภิกษุได้เป็นนักบวชนั้นอาชีพของท่านก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองถึงจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพท่าน ไม่ทำอาชีพอื่นไม่เหมือนกับคารวาญาติโยมมีอาชีพต่างๆมีการไปทำงานอาทิตย์ละอย่างน้อยก็ห้าวันขึ้นไปก็อาจจะมีว่างในวันหยุดก็ใช้วันหยุดนั้นมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบ มือสมัครเล่นในทางโลกเราก็สามารถเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่านักกีฬาที่เป็นมืออาชีพกับนักกีฬาที่เป็นมือสมัครเล่นนี้มีความสามารถต่างกันมากนักกีฬามือสมัครเล่นนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันกับพวกนักกีฬามืออาชีพได้เลย เพราะเวลาที่เขาให้ต่อการาปฏิบัติกีฬาของเขานั้นต่างกันนั่นเองนักปฏิบัติ น, นักกีฬามืออาชีพนี่เขาทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจทั้งหมดให้กับการฝึกซ้อมกีฬาของเขาส่วนนักกีฬามือสมัครเล่น ก็จะมาเล่นในช่วงวันหยุดพักผ่อนเท่านั้นเวลาที่ให้กับการฝึกซ้อมกีฬาจึงต่างกันมากผู้เป็นมืออาชีพนี้ให้เวลากับการฝึกซ้อมกีฬาอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยส่วนนักกีฬามืออาชีพให้การฝึกซ้อม กับกีลาร้อยละสิบร้อยละยีสบผลมันก็เลยมีความแตกต่างกันฉันใดการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นต้องให้เวลากับการปฏิบัติธรรมเต็มร้อยถึงจะได้มรรคผลเต็มร้อยถ้าให้เวลากับการปฏิบัติธรรมร้อยละสิบร้อยละยี่ส จะได้มรรคผลขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ก็ไม่ได้พูดเพื่อจะให้ผู้ที่เป็นขารวร้าดญาติโยมนี้มีความท้อแท้จนหมดกำลังใจไปแต่พูดเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของสถานภาพของตนว่าตอนนี้ตอนอยู่ในสถานภาพไหน เราจะหวังที่จะได้ผลอย่างไรขนาดไหนถ้าอยากได้ผลแบบมืออาชีพก็จำต้องขยับตนให้เข้าสู่ในระดับของมืออาชีพให้ได้เท่านั้นการเป็นคาวา่าตการปฏิบัติในฐานะคารวานน่าตนี้ก็เปรียบเหมือนกับการเริ่มต้นเป็นการปลูกฝัง นิสัยของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นมาเพราะทุกคนนี้ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่มืออาชีพได้ก็ต้องเริ่มต้นที่มือสมัครเล่นก่อนเพราะทุกคนเกิดมาก็เกิดมาเป็นลูกของคารวาญาติโยมก็ต้องมีอาชีพต่างๆ ต, ตอนเป็นเด็กก็ต้องไปโรงเรียน การเรียนหนังสือก็เป็นอาชีพแบบหนึง่งเรียนเพื่อหาวิชาความรู้เพื่อจะได้นำมาประกอบอาชีพต่อไปเพราะไม่รู้ว่ามีอาชีพอีกอย่างหนึง่งที่ที่ต่างจากอาชีพที่ข้าลว่าดญาติโยมทำกันอยู่ นั่นคืออาชีพของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาปดิสฐานตั้งอยู่ในประเทศไทยชาวไทยก็จะไม่รู้จักอาชีพของการปฏิบัติธรรมเหมือนกับประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่รู้ว่ามีอาชีพอีกแบบหนึง่ง ที่เป็นอาชีพที่ดีกว่าอาชีพทั้งปวงเพราะเป็นอาชีพเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้คําว่ามรรคผลนิพพานก็คือการได้พัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นไปตามลําดับคำว่าสูงก็คือให้มีความสุข เพิ่มามากขึ้นไปตามลำดับและให้มีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจและเป็นการตัดพบตัดชาติตัดปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงไปตามลำดับ ตั้งแต่7ชาติลงไปเหลือหนึ่งชาติลงไปถึงกับไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปและในที่สุดจนถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเกิดในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเลยนี่คือผลที่จะได้รับจากการบรรลุ มรรคผลนิพพานเป็นอาชีพที่ไม่มีใครรู้จักกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งตัดสรุมากาศมาประกาศพระธรรมคำสอนมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะนำเอามรรคผลนิพพานนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้รู้ผู้ที่ไม่รู้ ก็จะไม่มีใครรู้จักอาชีพนี้จะรู้จักแต่อาชีพการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เลี้ยงกิเลสตัณหาเพื่อส่งเสริมการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเราจึงต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญมีวาสนา ที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มารู้จักอาชีพที่ประเสริฐนี้และเราก็เริ่มมาศึกษาวิธีสร้างอาชีพนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พยายามปฏิบัติอาชีพนี้ตามกำลังของเราเท่าที่เราสามารถปฏิบัติได้ในขณะนี้ ถ้าเราได้รับความสุขจากการปฏิบัตินี้เราก็จะเกิดมีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้ได้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วเราก็จะก้าวจากมือสมัครเล่นไปสู่การเป็นมืออาชีพได้ทุกคนถ้าเราไม่หยุด การศึกษาไม่หยุดการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพได้อย่างแน่นอนตอนนี้เราก็มันศึกษาฟังเทศฟังธรรมและพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถ ปฏิบัติได้พยายามตัดสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์เช่นการบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขแบบควันไฟให้แล้วก็หายไปดูแล้วก็หายไปได้ยินได้ฟังแล้วก็หายไป ได้ดื่มได้รับประทานแล้วก็หายไปปล่อยให้เหลืออยู่แต่ความหิวความอยากที่จะดูที่จะฟังที่จะดื่มที่จะรับประทานอยู่เรื่อยๆเวลาใดไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็เกิดความหงุดหงิดใจลำคานใจต้องยอมทนกับความหงุดหงิดลำคานใจนี้ด้วยการ ฝืนไม่ไปทำตามความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะแล้วก็บังคับมานั่งทำใจให้สงบมาเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ไม่ว่ากำลังจะทำอะไรให้มีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหว ของการกระทําของร่างกายหรือจะใช้คําบริกรรมพุทโธกํากับใจไปก็ได้ขอให้ทําอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล้วเอาเวลาที่เราจะใช้กับการบันเทิงนี้มานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้เราจะสามารถกําจัด ความหุดหยิดที่เกิดจากการอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานได้เพราะเวลาที่ใจสงบแล้วความหุดหิดใจจะหายไปเพราะความอยากต่างๆได้ถูกลั ง, งับไว้ชั่วคราวเวลาที่ใจสงบความคิดปรุงแต่งไม่มีตันหาความอยากต่างๆก็จะ ไม่มีทางไปไม่มีทางออกเพราะทางออกของตัณหาก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเองพอความคิดปรุงแต่งหยุดทางานตัณหาก็ต้องหยุดไปโดยปริยายพอตัณหาหยุดทำงานไปความเบา อ, อกเบาใจความอิ่มเอิบใจความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมา นี่คือสิ่งที่ผู้ยังเป็นมือสมัครเล่นต้องควบคุมบังคาบใจไม่ให้หลงละเลงไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการปฏิบัติที่จะส่งให้ผู้ปฏิบัติก้าวขึ้นไปสู่การเป็นมืออาชีพหรือส่งให้ผู้เป็นมืออาชีพนี้ได้มรดกได้ผลก็มีอยู่สี่ ประการด้วยกันที่พระตถาจ้าทรงแนะนําให้เจริญกันข้อที่หนึ่งก็ให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไปอย่ารับประทานให้มันอิ่มมากไปเพราะจะทําให้เกิดนิวรคือความวุ่งเหงาหาวนอนขึ้นมาจะเกิดความเกลียดคร้าน จะไม่อยากเดินจงกรมนั่งสมาธิจะไม่อยากจเจริญสติปริกรรมพุทธโธพุทธโธอยากจะนอนเพียงอย่างเดียววิธีที่จะแก้หรือวิธีที่จะทำให้รู้จักมีประมาณในการรับประทานอาหารก็คือต้องใช้การพิจารณาอาหารในปฏิคูรสัญญาอยู่เรื่อยๆ อาหารในปฏิกูลสัญญาก็คือการระลึกถึงความสกปรกของอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่น่าดูตอนไหนตอนที่เข้าไปในปากเรานี่แหละตอนที่ต้องไปผสมกับน้ำลายแล้วต้องถูกเคี้ยวถูกบดด้วยฟันถ้าเราลอง คล า, ายอาหารนี้ออกมาใส่จานดูเราจะเห็นว่ามันไม่น่าดูไม่น่ารับประทานเราจะไม่อยากรับประทานยิ่งถ้าเป็นของคนอื่นนี่เรอให้เป็นตา ย, ายาร้ายดียังไงก็คงจะไม่ยอมรับประทานอย่างแน่นอนของตัวเองยังไม่อยากจะรับประทานแล้วถ้าเป็นของคนอื่นนี่จะรับประทานลงไปหรือเปล่ า, านี่คือให้เห็น ความสกปรกหรือความไม่น่ารับประทานของอาหารอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานที่เพิ่งออกมาจากโรงครัวสดสดร้อนๆมีกลิ่นหอมโชยออกมาถ้านึกถึงอาหารแบบนั้นก็จะทําให้เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะรับประทานก็จะทําให้ไม่สามารถ ควบคุมการรับประทานอาหารให้ได้พอประมาณก็จะรับประทานอาหารมากเกินไปดีคือข้อที่หนึ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะให้ความสําคัญและพยายามปฏิบัติให้ได้ก็คือการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร อย่ารับประทานมากจนเกินไปอย่างน้อยท่านก็ให้เริ่มที่ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือถ้าจะถ้าจะง่วงก็ให้มันง่วงในช่วงหลังจากเที่ยงวันไประยะชั่วโมงสองชั่วโมงพอหลังจากนั้นแล้วอาการง่วงเหงาหงนอนก็จะหายไปแล้วก็จะได้ปฏิบัติช่วงบ่ายไปจนถึงท่วง ช่วงข้ามช่วงมืดได้ถ้ารับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันด้วยคือรับประทานอาหารตอนเย็นกว่าจะหายง่วงก็เข้าไปเกือบดึกแล้วก็เกิดอาการง่วงขึ้นมาอยากจะนอนพักผ่อนของร่างกายอีกก็จะได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะได้อะ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วพอรับประทานเสร็จใหม่ๆก็มีการง่วงนอนหนึ่งสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงอาการนั้นก็จะหายไปตกบ่ายประมาณสักษาโมงนี้ก็จะสามารถปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิไปได้จนถึง สามสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มก่อนที่จะเข้าหลับนอนก็จะมีเวลาได้ปฏิบัติทำในช่วงนั้นนี่คืออย่างอย่างง่ายก็คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะให้มันดีกว่านี้ก็ให้มันรับประทานเพียงมื้อเดียวเอามื้อเช้าเลยตื่นขึ้นมาอย่างพระนี่พอไปบิณฑบาตกลับมาก็ฉันกันเลย ไปบินตบาดช่วงนี้ก็หโมงกลับมาก็เจดโมงฉันปั๊บเจ็ดโมงครึ่งปดโมงก็เสร็จเรียบร้อยเรื่องภารกิจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารก็หมดไปก็อาจจะง่วงหน่อยช่วงแปดถึงเกถึงสิบก็เดินจงกรมแล้วก็อาจจะพักสักชั่วโมงหนึ่งถ้าอยากจะพักถ้าไม่ง่วงไม่อยากจะพักก็ หลังจากสิบโมงไปแล้วก็สามารถที่จะภาวนาได้อย่างสบายไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความง่วงเหงาเหานอ น, อนแต่ถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องง่ว ง, ง, วงเหงาเหานอน อ, นอยู่ <c oughs> ก็ยังมีอีกระดับหนึ่งที่จะแก้ได้ <c oughs> ก็คือการไม่รับประทานอาหารเลยวันนั้นก็ลังเลการรับประทานอาหารไปดื่มแต่น้ำเปล่าหรือดื่มน้ำปานะ ถ้างดอาหารหลายลายวันก็อาจจะดื่มนมบ้างในช่วงเช้าเพื่อช่วยบรรเทาความอิดโรยของร่างกายก็ได้เพราะเวลาอดอาหารแล้วมักจะไม่อดวันเดียวอดวันเดียวรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าอดอดทั้งทีบางทีอดไปอย่างน้อยสามวันห้าวันเพราะการอดช่วงแรกๆนี้มันจะหิวมากช่วงวันสองวันแรก แต่พอหลังจากนั้นไปแล้วความหิวมันจะเบาลงไปแล้วก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องง่วงเหงาเหานอนแต่ผู้ที่จะอดอาหารนี้ต้องภาวนาต้องเจริญสติต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงอาหาร ถ้าคิดถึงอาหารก็ต้องเจริญอาหารเลยปฏิกูลลสัญญามาแก้ไวถึงจะสามารถที่จะอดอาหารไปได้ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมาคอยแก้ความหิวความอยากก็จะไม่สามารถที่จะอดอาหารได้การอดอาหารนี้ไม่ได้เป็นตัวมรรคตัวผล แต่เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดมรรคเกิดผลคือให้มีความเพียรกำจัดนิวรณ์ความง่วงเหงาเหานอนความเกียจค้านจะทำให้ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็ก็ไม่ไม่ง่วงไม่ไม่หลับและเวลาจิตสงบก็จะเห็นว่าความหิวส่วนใหญ่นั้น เป็นความหิวของทางใจไม่ใช่เป็นความหิวของทางร่างกายเวลาใจสงบแล้วใจเกิดความอิ่มขึ้นมาความหิวทางร่างกายก็เลยรู้สึกเลือไม่มีปัญหาไม่รุนแรงทนได้พระพุทธเจ้าจึงสามารถอดพระกาหารได้ถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันเพราะพระพุทธเจ้าทรง สามารถทำใจให้สงบได้ทรงมีสมาธิแต่สมาธินี้ไม่สามารถทำให้พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้และหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะสมาธินี้ไม่สามารถทำลายผู้ที่สร้างภพสร้างชาติได้นั่นเองก็คือตัณหาความอยากต่างๆองค์จึงต้องหยุดการอดอาหาร พอเห็นว่าอดไปก็ต้องตายแน่นอนร่างกายจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ต่อไปจึงรู้ว่าหนทางของการอดอาหารแล้วใช้สมาธิดับความอยากนี้ยังไม่สามารถทำลายความอยากได้จึงต้องย้อนกลับมาพิจารณาใหม่ว่าต้องไปทางไหนก็ทรงเห็นว่าจะต้องไปทางวิปัสสนาต้อง ใช้เหตุใช้ผลค้นหาดูว่าความอยากนี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วพอเห็นความอยากว่าเกิดจากความหลงหลงที่ไปคิดว่าการกระทำตามความอยากจะให้ความสุขการกระทำความอยากนี้ทำเกิดให้เกิดความทุกข์และสิ่งที่ได้มาที่จะให้ความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราว แล้วก็มีความทุกข์แทม้มาด้วยความห่วงความวิตกความกังวลกับสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นจะเป็นวัตถุเข้าของหรือบุคคลพอได้มาแล้วก็อยากจะให้เขาดีอยากจะให้เขาอยู่กับเราไป น, นานๆพอเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าที่ได้เบื้องต้นไปหลงคิดว่าการอดทานจะทำให้สามารถกำจัดความอยากต่างๆได้แต่มันกำจัดไม่ได้เพราะต้นเหตุของความอยากมันอยู่ที่ความหลงความไม่รู้ไม่รู้โทษของความอยากไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นโทษเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุขพอพิจารณาก็เห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ห้ามมันได้สั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอเห็นอย่างนี้พระ อ, องค์จึงสามารถตัดตัณหาความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้พระองค์จึงเห็นพระอริยสัจสีอย่างชัดเจนว่าความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากการจะดับความอยากก็ต้องการจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นความจริงเห็นความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากและสิ่งที่อยากได้ก็ทำให้ใจทุกข์ สิ่งที่อยากได้ไม่ใช่เป็นสุขไม่ได้ทําให้ใจสุขทําให้ใจทุกข์ทุกข์เพราะว่าเขาไม่เที่ยงเขาต้องมีการมามีการเกิดแล้วเขาก็ต้องมีการดับไปอทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้สั่งให้เขาดีก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาไม่ดีก็ห้ามเขาไม่ได้เอถ้าเขาจะไม่ดี เราให้เป็นเทวาดาเป็นอะไรก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาดีจะไปทำให้เขาไม่ดีก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ก็เรียกว่าตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาสองเห็นตายรักก็เลยสามารถที่จะหยุดตัณหาความอยากได้ถ้าเป็นความอยากอาหารก็ต้องเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญา ถ้านึกถึงความเป็นปัตติกูลของอาหารแล้วจะรับประทานอาหารไม่ลงมีกรณีหนึ่งในวงการปฏิบัติที่หลวงตาท่านเขียนไว้หรือเล่าจำไม่ได้แล้วว่ามีเม่ชีรูปหนึ่งก็เจริญอาหารเลยปัตติกู ล, ลสัญญาจนเลยเถิดเคิทุกครั้งที่จะถึงเวลารับประทานอาหารก็พิจารณาอาหารเลยปัตติกู ล, ลสัญญา จนไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ร่างกายก็เลยสู้ผอมลงไปจึงต้องมาศึกษากับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าพิจารณาเลยเถิดถึงเวลาที่จะต้องรับประทานอาหารก็อย่าไปพิจารณาอาหารเล็ปฏิกูลสัญญาให้พิจารณาว่าเป็นการเติมน้ํามันร่างกายนี้ต้องการน้ํามัน น้ำมันของร่างกายก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาหารนี้ก็คือดินน้ำลมไฟดีๆนี่เองรับประทานเข้าไปเพื่อที่จะได้ให้ร่างกายมีพลังงานที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ให้พิจารณาว่าเป็นการเติมธาตุสู่ธาตุเอาธาตุมาเติมกับธาตุร่างกายนี้ก็เป็นธาตุ ร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเวลาธาตุสี่ในร่างกายล่อยลอลงไปก็ต้องมีการเติมเหมือนกับน้ามันที่เราต้องคอยเติมในรถยนต์อยู่เรื่อยๆเราเติมน้ำมันเต็มถังแล้วเราก็ขับรถไปไหนมาไหนเดี๋ยวสักพักเราเปิดดูเกเอา้านี่มันก็แหลืถึงขีดแดงอีกแล้วน้ำมันจะหมดแล้ว ก็ต้องขับรถเข้าสถานบริการแล้วก็เติมน้ำมันเพื่อที่จะได้ให้รถมีเชื้อเพลิงที่จะทำให้รถวิ่งไปไหนมาได้ต่อไปร่างกายก็เป็นแบบนี้การพิจารณาหาเลยปฏิกู ล, ลสัร ญ, ญานี้ให้ใช้ในกรณีที่อยากจะรับประทานนอกเวลาของเวลารับประทานพวกที่ชอบกินแบบไม่มีเวล่มเวลา พออยากปั๊บก็จะกินปับ๊บตรงนี้ต้องหัดพิจารณาอาหารเลปฏิกูลสัญญาแล้วจะทําให้สามารถปฏิบัติธรรมที่เรียกว่ารู้จักประมาณในการรับประทานอาหารได้จะทําให้การรับประทานอาหารเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งกับทางร่างกายและการปฏิบัติธรรมคือไม่รับประทานจนทําให้เกิดอาการง่วงเหงาหงนอน ือทำให้เกิดอาการเกียจค้านขึ้นมาแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเหมือนกับคนที่ไม่เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับไปจนกระทั่งร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินร่างกายเสียความสวยความงามกลายเป็นตุ่มไป เราก็ต้องมารักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการมีน้ําหนักมากเกินไปนี่คือธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมจาเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้คือการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารข้อที่สองผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นมือ อาชีพหรือมือสมัครเล่นก็จำเป็นที่จะต้องมีอินสีสังวรคือต้องรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะเช่นพวกบันเทิงต่างๆมหัรลสพต่างๆอย่าไปดูไปฟังเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใจเพราะมันเป็นความสุขแบบยาเสติดเสรษรูปเสียงกลิ่นลดผลถ้าละแล้วมันจะติดติดแล้วมันจะทำให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นคือความหมายถ้าติดดูละครติดดูภา พ, พยนตร์ติดไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆติดการรับประทานอาหารติดการไปงานเลี้ยง อะไรต่างๆเหล่านี้คือกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องระงับไว้คือต้องไม่ไปถ้าถ้าระงับไม่ได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมก็จะเอาเวลาไปเที่ยวกันไปดูละครกันไปดูภา พ, พ ย, ายนตร์กันไปงานเลี้ยงกันนี่คือข้อที่สอง ผู้ที่ปฏิบัติจาเป็นที่จะต้องอสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายต้องฝืนต้องบังคับใจอย่าไปดูอย่าไปฟังนี่ก็อยู่ในศีลข้อที่8ศีลศีลแนั่นเองคือศีลข้อที่7จ็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายระ ง, ง, ง, งับกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วเอาเวลามาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อที่จะทำใจให้สงบมีข้อที่สองที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะปฏิบัติให้ได้ข้อที่สามก็คือต้องปิกวิเวกต้องไปอยู่ตามลาพังคนเดียวไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดเพราะสถานที่สงบสงัดนี้จะ ทำให้การทำใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ง่ายดายนั่นเองดังที่มีคำพูดว่ากายวิเวกจิตจะวิเวกถ้ากายไม่วิเวกยากที่จิตจะวิเวกถ้าภาวนาอยู่ตามโรงลครตามสถานบันเทิงนี่ภาวนาไปจนวันตาไม่มีทางที่จะสงบได้ แต่ถ้าไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าคนเดียวไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าช้านี่ดีไม่ดีห้านาทีสิบนาทีจิตก็ลวมได้ดังนั้นผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมถ้าต้องการให้เกิดผลขึ้นมาจําเป็นที่จะต้องหาสถานที่ปีกวิเวกสถานที่สงบไม่มีเสียงรบกวนไม่มีกลิ่นมารบกวน ไม่มีลูกมารบกวนใจถ้ามีแล้วมันก็จะทำให้การภาวนาการทำใจให้สงบนี้ยากไม่เกิดผลขึ้นมาข้อที่สี่ที่ผู้ปฏิบัติทมจำเป็นจะต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาก็คือสติต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา จนถึงเวลาที่หลับไปจะต้องมีอะไรมาคอยควบคุมใจไม่ปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยคิดแบบไม่มีขอบไม่มีเขตให้คิดเท่าที่จําเป็นกับภารกิจที่ต้องทําอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเช่นเป็นนักบวชนี้ก็จะให้คิดอยู่กับ ว, ว่าตอนนี้ต้องทําอะไรเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาต้องสวดมนต์ไหว้พระก็สวดไปต้องนั่งสมาธิภาวนาก็ นั่งไปต้องเดินจงกรมก็เดินไปพอถึงเวลาสว่างต้องไปศาลาเตรียมออกบินตาบาก็ไปขณะที่ทำกิจกรรมก็ให้ใจอยู่กับกิจกรรมที่กําลังทำอยู่หรือไม่เช่นั้นก็ให้ใช้พุทธโธกรากลับไปถ้าใจชอบไปคิดถึงเรื่องต่างๆนาน า, นานและไม่สามารถดึงใจให้เฝ้าอยู่กับการกระทาของร่างกายได้ ก็ต้องใช้พุทโธช่วยบริกรรมพุทโธพุทโธไปกำลังจะไปบินทบาทก็พุทโธขณะที่เดินบินทบาตก็พุทโธขณะกลับมาจากที่บินฑบาทเพื่อมาฉันก็พุทโธฉันเสร็จไปล้างบาตก็พุทโธเชดบาตก็พุทโธกวาดถูศาราเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยก็พุทโธพุทโธไป จนกลับมาถึงที่พักก็เดินเข้าทางจงกรมต่อเลยพุทโธพุทโธต่อไปนี่แหละคือการเจริญสติต้องเจริญแบบนี้ต้องควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายด้วยการบริกรรมพุทโธช่วยทําใจจะลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเวลาเดินจงกรมใจก็จะเบาใจก็จะสบายแล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายพออจากสมาธิก็สามารถกํากับใจให้พิจารณาธรำต่างๆพิจารณาไตายรักษณ์ที่มีอยู่ในสภาวะธรรมทั้งปวงพิจารณาอาหารเลปฏิกูล พิจารณาอสุภะเพื่อกำจัดการมาราคะพิจารณาทำเหล่านี้แล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะทำให้ปัญหาความอยากต่างๆนั้นเบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนใกล้คนไกล คนที่เรารู้จักไม่รู้จักคนที่เรารักหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบเป็นตายรักทั้งนั้นเป็นอสุภะทั้งนั้นเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กรรมของเขาอยู่ที่บุญของเขาถ้าเขามีบุญพามาเขาก็จะมีบุญพาไปเอง บุญก็จะพาให้เขาทำในสิ่งที่ดีถ้ามีกรรมพาไปก็จะกรรมก็จะพาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเป็นโทษกับตัวเขาเองไม่มีใครที่จะไปบังคับไปสั่งเขาได้ไปห้ามเขาได้นอกจากไปจับล่ามโซ่เขาไว้เท่า น, นั้นเองขังเขาไว้ในห้องขังแต่เวลาใดที่เราปล่อยเขาออกมาให้เขามีอิสระภาพ เขาก็จะต้องไปตามทางของเขาอยู่ดีเขาเองต้องเป็นผู้ที่จะต้องแก้กรรมของเขาเขาต้องรู้ว่าการกระทาของเขานี้มันเป็นโทษกับตัวเขาเองเหมือนกับการดื่มยาพิษหรือการรับประทานอาหารที่เป็นพิษถ้าเรารับประทานอาหารแล้วเกิดอาการท้องเสียถ้าเรารู้ว่าเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปคราวหน้าเราจะกล้ารับประทานอาหารชนิดนั้นอีกหรือไม่ ถ้าเรารู้ว่าถ้ารับประทานเข้าไปแล้วมันจะทำให้เราท้องเสียแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะรับประทานต่อไปแต่ถ้ารับประทานบ่อยๆแล้วท้องเสียบ่อยๆถ้าใช้ปัญญาสังเกตดูมันก็จะเห็นว่ามันเกิดจากการรับประทานอาหารชนิดนี้มาจากร้านนี้แต่แต่ถ้าไปรับประทานจากที่อื่นไม่เป็นก็แสดงว่าร้านนี้อาหารเป็นพิษไ่ ก็ต่อไปก็ไม่ซื้ออาหารจากร้านนี้ไปดันั้นการกระทำของเราถ้าทำไปแล้วมันเกิดโทษกับเราเราก็ต้องเห็นมันด้วยตัวเราเองหรือคนอื่นบอกแล้วเราเชื่อเขาก็ดีไปแต่ถ้าคนอื่นบอกแล้วไม่เชื่อก็จะทำยังไงเขายัางไม่เชื่อว่าเป็นความผิดของเขาเป็นการกระทำของเขาที่เขาจะต้องแก้เองถ้าเขาไม่แก้เขาก็ต้องเป็นผู้รับเคาะกรรมของเขาไป เราไม่สามารถที่จะไปแก้เขาได้กรรมของใครนี้ไม่มีใครแก้ให้ใครได้ถ้าแก้ได้พระพุทธเจ้าก็แก้พวกเราไปนิพพานกันหมดแล้วเหมือนจับพวกเราแก้ผ้าเนี่ยจับไม่ได้ไม่มีใครยอมให้เราจับแก้ผ้ากันเราต้องแก้เองตอนที่เราเข้าห้องน้าเราถึงกล้าแก้ผ้ากันแต่ถ้าจะให้ใครมาจับแก้ผ้านี่เราคงไม่ยอมให้จับการที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานี่ จะมาบังคับให้เราเปลี่ยนนี่ไม่มีใครยอมทั้งนั้นเราให้มันดีขนาดไหนท่านถ้าทําได้ก็จะจับมาบวชกันหมดแล้วนี่ให้อยู่เป็นคารวาสทําไมให้จับมาเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพกันแล้วแต่มันทําไม่ได้มันจึงต้องปล่อยให้เป็นความสมัครใจเพียงแต่มีการบอกได้เท่านั้นเองบอกว่าไปทางนี้จะได้อย่างนี้ไปทางนั้นจะได้อย่างนั้นผู้ที่เดินทางไป จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเขาเดินไปเขาก็จะเจอดังที่บอกอย่างแน่นอนถ้าเดินไปทางบาปทางกรรมมันก็จะเจอแต่ทุกข์เจอแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆถ้าเดินไปทางบุญทางกุศลมันก็จะเจอแต่เรื่องความสุขความดีต่างๆนี่คือการพิจารณาตายลักที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรทุกไปเขาก็ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ของเขาเราทําได้ก็เพียงแต่ช่วยเขาทางร่างกายเท่า น, นั้นเองถ้าเขาขาดแค่ในเรื่องปัจจัย4เราก็พอที่จะหาให้เขาได้ แต่เรื่องพฤติกรรมของเขานี้เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้ไปแก้ได้ไปบังคับให้เขาเปลี่ยนก็ไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนของเขาเองถ้าเราพิจารณาเห็นตายรักแล้วเราก็จะสบายอกสบายใจเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาแล้วเราก็จะไม่มาโทษตัวเราเองว่าเราบกพร่องหรือไม่อย่างไร เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเป็นความตายความดีความชั่วของเขาเพราะมันเป็นเรื่องของเขาจัดตั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ไม่มีใครที่จะมารับผลแทนกันได้พ่อแม่ไม่สามารถจะมารับผลของบุญหรือของบาปของลูกที่ทำไว้ได้เช่นพระพุทธเจ้าตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าพ่อของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถมาเป็นพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าได้แต่เป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการดาเนินชีวิต ให้เป็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินก็าสามารถที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้ซึ่งก็มาเปลี่ยนตอนปลายของชีวิตตอนที่ใกล้จะตายเจดวันก่อนตายพระพุทธเจ้ามาทรงโปรดพระราชบิดาจนสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ต้องเปลี่ยนด้วยตัวเองโดยอาศัยคําสอนของผู้อื่น ถ้าเชื่อแล้วนําเอาไปปฏิบัติแล้วเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่เกิดผลที่ดีจริงๆอย่างคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อแล้วนําเอาไปปฏิบัติรับรองได้ว่าผลดีต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาอย่างวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อว่าถ้าอยากจะได้มรดไพร์ผลก็ต้องพุ่งเป้าไปสู่การเป็นผู้ปฏิบัติทำมืออาชีพ ตอนนี้ยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ก็พยายามพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นพยายามหาเวลามาปฏิบัติมากขึ้นซึ่งเราสามารถหามาได้เพราะเวลาส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เอาไปใช้กับการธรรมากินเพียงอย่างเดียวเราเอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราเอาเวลาเหล่านั้นมาปฏิบัติทำได้ หยุดดูละครหยุดดูหนังฟังเพลงหยุดออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหยุดไปงานเลี้ยงงานสังคมต่างๆแล้วก็มาปรีกวิเวกมาสํารวมอินซีตาหูจมูกร่างกายมารับประทานอาหารพอประมาณมาเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ช้าก็เร็วก็จะก้าวขึ้นสู่เวทีของ ผู้ปฏิบัติมืออาชีพได้แล้วก็พอได้เข้าสู่เวทีของผู้ปฏิบัติมืออาชีพไม่ช้าก็เร็วก็จะได้รับผลได้รับผลของการปฏิบัติได้มรกได้ผลอย่างแน่นอนเพราะนี่คือวิธีการปฏิบัติของผู้ที่ได้มรกผลนิพพานมาทั้งนั้นทุกคนต้องเริ่มจากมือสมัครเล่นกันก่อนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ดี หรือภาษาพวกทั้งหลายก็ดีต้องเริ่มจากการเป็นมือสมัครเล่นก่อนทั้งนั้นเพราะทุกคนต้องเกิดมาเป็นคารวาสก่อนไม่มีใครเกิดมาเป็นพระเลยเพราะว่าพระไม่สามารถมีภรรยาได้นั่นเองถ้าพระกับภิกษุณีนี่อยู่ร่วมกันได้ลูกของพระก็อาจจะเกิดมาแล้วก็เป็นพระเลยก็ได้ไม่ต้องบวชเลยก็ได้เพราะถือว่าเป็นลูกของพระภิกษุกับภิกษุณี แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระภิกษุณีกับพระภิกษุนี้ร่วมหลับนอนกันไม่ได้ถ้าร่วมหลับนอนกันเมื่อไหร่ก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระภิกษุการเป็นพระภิกษุนีทันทีก็กลับไปเป็นฆราวาสญาติโยมทันทีลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นฆราวาสญาติโยมก็ต้องเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนทุกคนจึงเป็นมือสมัครเล่นทั้งนั้นแล้วค่อยก้าวขึ้นสู่มืออาชีพต่อไป พอได้เข้าสู่การเป็นมืออาชีพก็จะได้รางวัลเช่นนักกีฬาที่เขาไปแข่งขันระดับมืออาชีพเดี๋ยวเขาก็คว้าชัยในราการต่างๆมได้ได้เหรียญได้ถ้วยมาติดมาประกาศมาโชว์กันความสามารถว่าได้ชัยชนะผู้ปฏิบัติธรรมก็จะได้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งมาอวดกันมาโชว์กันว่าได้แล้วนะโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล สกิดาคามีมักกะสกิดาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตตมักอรหัตตผลและพระนิพพานอันนี้เป็นรางวัลของผู้ปฏิบัติธรรมมืออาชีพที่จะขว่คว้ามาครองได้กันทุกคนเพราะผู้ที่ปฏิบัติมืออาชีพเช่นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือทั้งหลายท่านก็ได้คว้าชัยเหล่านี้มาเป็น ราังวันแล้วด้วยกันทุกรูปทุกองถ้าใครปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านปฏิบัติผลก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติทำทั้งสี่ประการที่ได้แสดงในวันนี้คือหนึ่งการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร2การสำรวมอินทรีย์ตามหูจมูกลิ้นกาย3การปรีกุ้เวก สี่การเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าบำเพ็ญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ได้การปฏิบัติก็จะคลืบหน้าก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนจึงขอจุดติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 อาลสโอยทธาสภิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาธนสีริษานิจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขัง า, าต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาทำใครอยากจะถามปัญหาอะไรตอนนี้ถามได้เต็มที่เลยนะพอปิดไมค์ล้วก็ไม่ถามแล้วนะไม่ตอบแนละ้วงั้นใครอยากจะถามก็เชิญมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่ถามถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาถามมา เาไวเป็นคําถามจากทางบ้านค่ะคําถามแรกจากคุณนภัสฟังเทพพระอาจารย์เกี่ยวกับภพบทั้งสยังไม่เข้าใจเรื่องรูปฌานอารูปฌานรูปภพและอรูปภพอยู่ขอให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะคือรูปภพกับอรูปภพนี้เป็นจิตที่ไม่มีกามอารมณ์ไม่เสกกาม จิตผู้ที่ได้รูปฌปานคือจิตที่สงบมีความสุขจากความสงบเลยไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะรูปฌานนี้จะยากกว่อาอรูปฌานอารูปฌานนี้จะละเอียดกว่าแต่ก็เป็นความสงบเหมือนกันท่านถึงแบ่งเป็นสองภพด้วยกันอรูปภพกับรูปภพ พบทั้งสพบที่สก็คือกามาพบกามาพบก็คือพกของจิตผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ความสงบผู้ที่ยังหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะก็ต้องเสบรูปเสียงกลิ่นรสถ้ามีร่างกายก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็เสบผ่านทางจิตโดยตรงที่เรียกว่าอาหารทิบรูปทิบเสียงทิบกลิ่นทิบ นี่คือพบของจิต3มชนิดด้วยกันจิตที่ยังเสพกามอยู่ก็ต้องเกิดในกามมาพบจิตที่ได้เข้าได้สู่รูปฌานเข้าสู่ความสงบคืคอฌาน4ีฌาน1ถึงฌาน4ก็จะอยู่ในอรูปปภพหยุดอยู่ในรูปปภพและผู้ที่ได้อรูปฌานหนึ่ถึงส คือฌานที่5ถึงฌานที่8เรียกว่าอารูปฌานก็จะไปอยู่ในอรูปภพไม่มีรูปทิพย์ไม่มีเสียงทิพย์ไม่มีกลิ่นทิพย์มีแต่ความสงบความว่างของใจคำถามต่อไปจากคุณวิพาพรหนูเรียนครูสอบบรรจุยังไงก็ไม่ผ่านหนังสือก็อ่านอยู่นะคะ แต่ว่าเหมือนมันไม่ได้สักทีมีพระรูปหนึ่งและหมอดูเคยบอกหนูว่าวาสนาและบุญหนูยังไม่ถึงหนูต้องทำยังไงเจ้าคะให้มีบุญบารมีและวิธีการสร้างบุญบารามีที่รวดเร็วต้องทำยังไงบ้างคะตอนนี้หนูเครียดมากคะสอมาสามปีแล้วแต่ไม่ได้สักทีเพราะว่าเวลาอ่านหนังสือใจมันลอยมันไม่มีสติอยู่กับการอ่านไม่มีสมาธิ ต้องฝึกหัดสมาธิฝึกหัดสติให้มากๆเวลาอ่านหนังสือก็ลองอ่านช้าๆอ่านทีละคำสองคำไปแล้วให้มันเข้าไปในใจทุกคำอย่าอ่านแบบเพื่อรี บ, รบอ่านเพื่อที่จะให้มันจบเพื่อที่จะคิดว่าได้ทำการบ้านแล้วได้เตรียมตัวสอบแล้วถ้าอ่านแบบนี้ถ้ามันไม่เข้าไปในใจมันก็ลืมไปหมดพอเวลาไปสอบก็ไม่สามารถที่จะเอาคาตอบออกมาตอบได้ ถ้าเราค่อยอ่านช้าๆทีละคำสองคาแล้วให้มันเข้าไปในใจให้เราเข้าใจว่าเรากำลังอ่านอะไรไม่ใช่อ่านไปแล้วมาถามว่าเมื่อกี้อ่านอะไรไปบ้างไม่รู้อย่างตอนเนี้ยขอถามหน่อยได้ไหมวันนี้ยเทศไปต้องสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีนี้เทศอะไรไปบ้างรู้เปล่าไม่รู้จะ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าไม่ไม่มีสติพอให้ไปสอบมันก็สอบตก คนที่มีสติดีเขาจะจำได้หมดว่าวันนี้เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรบ้างพอถามก็จะตอบได้เลยดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือต้องสร้างบารมีคือสติสมาธิขึ้นมาให้ได้ด้วยการพยายามดึงใจให้อยู่กับการอ่านหนังสืออย่าปล่อยให้มันลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีอยากจะไปดูละครก็เลยรีบรีบอ่านเสีย พอจะได้ทันเวลาไปดูละครแต่ใจมันไม่ได้อยู่กับการอ่านแล้วมันไปอยู่กับกับจอทีวีอยู่กับละครแล้วอยู่กับนาฬิกาแล้วคอยดูจ้องอยู่แต่นาฬิกาว่าถึงเวลาเมื่อไหร่ถ้าอ่านแบบนี้อย่าไปอ่านเลยมันไม่เกิดประโยชน์อ่านนี้มันต้องไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยต้องอยู่กับเรื่องที่เราอ่านเพียงอย่างเดียวจนบางทีลืมเรื่องละครไปเลยอ่านจบแล้วมาดูอา้าวละครจบไปแล้ว อย่างนี้ถ้าอ่านแบบนี้รับรองได้ว่าเวลาไปสอบนี้จะตอบปัญหาตอบคำถามได้อย่างแน่นอนคำถามต่อไปจากคุณคมสรรทำบุญไม่หวังผลกับอธิษฐานต่างกันยังไงตัวอย่างไปทำบุญกับพระสงฆ์ที่ท่านกำลังสร้างโรงพยาบาลเราก็อธิษฐานว่าขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้คือหวังผลใช่ไหมครับ ใช่อยากอยากได้ผลจากการทำบุญแต่ไม่รู้ว่าผลที่เกิดจากการทำบุญนั้น<ม>เป็นอะไรกันแน่เหมือนกับไปไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวแล้วได้โจ๊กมาอย่างนี้แล้วก็มาบ่นที่หลังว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญก็เพราะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวไม่ไปซื้อโจ๊กใช่ไหมแต่อยากจะได้ผลเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุที่จะทำให้ได้ผลนั้นเกิดจากอะไร การทำบุญนี้ไม่ได้ทำเพืเพื่อให้ได้หายเจ็บหายไข้หรืไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ามาเกิดเหตุท่านก็แสดงไว้แล้วเห็นชัดชัดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ามาเกิดเกิดแล้วมาสร้างโรงพยาบาลเพื่อมาเบรกไม่ให้มันเจ็บมันไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ยังไปสร้างโรงพยาบาลทําไมถ้ามันไม่เจ็บไม่ไข้มันก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาล กระจาไหมข้อถามต่อไปจากคุณโทนี่มีประโยชน์ไหมที่เราเอาอาหารไปไหว้รูปปั้นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านถ้าเราไม่ใส่ทุกวันจะเป็นอะไรไหมครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ก็รูปปั้นนี้เขากินข้าวได้หรือเปล่าพรากินอาหารได้หรือเปล่าเขากินไม่ได้อาหารก็ไม่ได้พอกพองหายไปไหนก่อนคุณจะไปถวายก็ชั่งน้าหนักดูก่อนเลยว่า <laughs> มันหนักอยู่เท่าไหร่ก็ไอวเสร็จแล้วก็กลับมาช่างใหม่ดูว่ามันหายไปหรือเปล่าน้ำหนักออถ้าหายไปแสดงว่าเทวรูปกินได้ถ้าน้ำหนักเท่าเดิมก็แสดงว่าเขาไม่ได้กินนั่คำถามต่อไปจากคุณกบิลพัท คือลูกอยากจะเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมลูกปรารถนาพบพระนิพพานในชาตินี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะลูกด้วยก็ขอให้ฟังเทศที่เทศวันนี้แหละต้องเป๊ี้ยเลยคำถามต่อไปจากคุณสุพจน์ข้อที่หนึ่งการขับรถเป็นการส่งจิตออกนอกหรือไม่อ้าวขับรถมันต้องมาอยู่กับที่รถเสีมันจะไปอยู่ห้องในได้ถ้าอยู่ในชาตมันก็ชนกัน ข้อที่สองเราสามารถเจริญสัมมาสติขณะขับรถได้หรือไม่ได้ก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถไงอย่างที่ก็ห้ามอยู่เรื่อยๆว่าเมาแล้วอยากขับเพราะเวลาเมาแล้วมันไม่มีสัมมาสติแล้วสัมมาสติหายไปมันก็เลยชนกันแหลกถ้าถ้าไม่ถ้ามีสติเฝ้าอยู่จดจ่ออยู่กับการขับรถมันก็จะปลอดภัย คำถามต่อไปจากคุณหญิงลูกชวนคุณพ่อปล่อยปลาคุณพ่อไปด้วยความยินดีและเป็นคนขับรถพาไปลูกเป็นคนปล่อยปลาส่วนคุณพ่อไม่ยอมเป็นคนปล่อยปลาด้วยคุณพ่ออธิบายว่า คุณพ่อไม่ปล่อยป ล, ยปลาเพราะยังทานปลาอยู่ไม่ได้งดเวลาที่นึกถึงว่าปลาที่คุณพ่อถ้าทานอาจจะเป็นตัวที่เคยไปปล่อยก็จะไม่สบายใจเช่นนี้จะอธิบายคุณพ่อให้มีความเข้าใจที่ถูกอย่างไรคะก็มันก็เป็นความเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันเราไปปล่อยปลาแล้วเดี๋ยวเกิดไปจับมันมากินแล้วปล่อยไปมันก็ก็มันก็ไม่ได้บุญอยู่ดี ก็อย่าไปกินปลาก็ถูกแล้ ว, ลวหรือว่าถ้าจะถ้าจะกินก็อย่าไปกินปลาเป็นอย่าไปเอาปลาเป็นมาฆ่าเองถ้ามันเป็นปลาตายแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมของปลาตัวนั้นไปแต่มันไม่ได้เกิดจากการฆ่าของเราคําถามต่อไปจากคุณสรทธานระหว่างความคิดกับจิตของเรานั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ความคิดก็คือความคิดตรงแต่งซึ่งเป็นอาการของจิตนั่นเองมาจากจิตจิตเป็นผู้คิดนะจิตเองก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของใจใจนี้เป็นผู้รู้ส่วนจิตนี้เป็นนามขันที่เรียกว่าลูกเ ว, เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่คือตัวอาการของจิตนะ เวลาเราพูดถึงจิตเรามักจะหมายถึงเ ว, เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาเราพูดถึงใจนี้เราพูดถึงผู้รู้ตัวรู้รู้สักแต่ว่ารู้คำถามต่อไปจากคุณภาวนาผู้ชายทิ้งลูกทิ้งครอบครัวไปบวชไม่ศึกให้ผู้หญิงเลี้ยงลูกตามลำพังไม่ผิด ดังนั้นในทางกลับกันถ้าผู้หญิงทิ้งลูกทิ้งสามีไปบวชชีแล้วให้สามีเลี้ยงลูกตามลำพังจะผิดหรือไม่คะถ้าผู้ชายไม่ผิดแล้วผู้หญิงจะไปผิดตรงไหนนะคำถามต่อไปจากคุณอาพรดี <c oughs> เราจะฝึกตนเองให้มองเห็นไตร ล, ลักษณ์ในทุกอิริยาบถได้อย่างไรคะก็ต้องนึอกอยู่เรื่อยเช่นเห็นใครก็ต้องนึกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วห้ามไม่ได้ เกิดแก่เจ็บตายนี้ห้ามกันไม่ได้ถ้าอยากจะเห็นเร็วก็ดูดอกไม้เป็นตัวอย่างก็ได้แล้วเอามาเปรียบเทียบกันดอกไม้วันนี้บานสวยเอามาถวายพระแต่เวลามันเหี่ยวพระต้องมาเก็บนี่ญาติโยมมองไม่เห็นนะญาติโยมต้องมาคอยดูเวลามันเหี่ยวครับจะได้รู้ว่าเนี่ยชีวิตของดอกไม้กับชีวิตของเราก็เหมือนกั น, นมันมี มันมีช่วงของมันมันมีช่วงเบ่งบานแล้วมันก็ต้องมีช่วงเหี่ยวช่วงเน่าช่วงเปื่อยช่วงสลายไปท่านถึงสอนให้เราพิจารณาความตายคือคิดถึงเวลาที่ร่างกายตายเป็นซากศพไปจะได้รู้ว่ า, าชีวิตของเรานี่มีขอบมีเขตในเวล า, ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้ไปสั่งมันได้ ถ้าเราค ok ิดอย่างนี hmm. it, of of everyone, ้ต really ่อไปเราก็จะเห็นไกลลักเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราไปอยากให้สิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ต้องอยากไปอยากมันเท่านั้นเองถ้าเราตัดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้เวลาร่างกายแก่เจ็บตายจะไม่รู้สึกทุกข์เลย คำถามต่อไปจากคุณนิยามลักการที่เราจะข้ามทุกเวทนาเราควรเอาจิตออกห่างหรือกำหนดจิตอยู่กับทุกครับเราต้องกำหนดจิตอยู่กับผู้รู้คือให้สักแต่ว่ารู้เวทนาความเจ็บจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเจ็บไปเหมือนตอนนี้เรานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ถ้าเกิดมีเสียงอึ ก, กทึกคึกโครมขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปอยู่ที่เสียง ให้อยู่ที่การฟังของเราไปต่อแล้วก็คอยดูจิตใจว่ากิเลสมันจะดึงให้เราไปหาเสียงหรือไม่ไปยุ่งกับเสียงหรือไม่ไปอยากให้เสียงนั้นมันหายไปหรือไม่ถ้ามันจะดึงไปเราต้องดึงกลับมาให้มาอยู่กับการฟังธรรมอย่างเดียวถ้าเรานั่งสมาธิแล้ว เ, เวลาเกิดอาการเจ็บขึ้นมาเราก็ต้องดึงใจให้อยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราดูลมก็พยายามดูลมไปเรื่อย อย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้ามันจะดึงไปก็ต้องใช้การบริกรรมช่วยดึงกลับมาก็ได้ถ้าใช้นมแล้วดึงไม่อยู่มันจะดึงไปหาความเจ็บเพื่ออยากจะกำจัดความเจ็บให้หายไปเราก็ต้องดึงมันกลับมาด้วยการบริกรรมบริกรรมพุทโธก็ได้บริกรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ขอให้ใจมันมีอะไรเกาะยึดไว้ไม่ให้ไปยุ่งไปอยากกับควา ม, วามเจ็บแล้ว ความทุกข์ใจจะไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์ใจความเจ็บของร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรจะนั่งอยู่กับมันได้ไปอย่างสบายไม่เดือดร้อนทุกปัญหาอยู่ที่ความอยากอยากแล้วมันเกิดความทุกข์อยากให้ความเจ็บหายไปพอความอยากเกิดขึ้นใจก็วุ่นวายขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นมาใหญ่ยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่ จนในที่สุดก็ทนนั่งไม่ได้ทนสู้กับความเจ็บของร่างกายไม่ได้ความจริงไม่ได้ทนกับความเจ็บของร่างกายแล้วสู้ความทุกข์ใจไม่ได้ความทุกข์ใจนี่มันมีน้ำหนักรุนแรงกว่าความทุกข์กายถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับหนูกับช้างนี่เองความเจ็บของทางร่างกายนี้ระดับหนูแต่ความเจ็บของทางใจนี่ระดับช้างแต่ความเจ็บทางใจนี้เราห้ามได้เราเป้องกันได้ โดยการที่หยุดใจเราอย่าไปคิดอย่าไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปให้อยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วความความเจ็บทางใจจะไม่มีแล้วจะอยู่กับความเจ็บทางร่างกายไปได้อย่างสบายคำถามต่อไปจากคุณซานี ดิฉันภาวนามานานแล้วและอายุเยอะแล้วแต่ภาวะทางอารมณ์ของดิฉันไม่พัฒนาเลยและดูเหมือนจะแย่ลงทุกวันดิฉันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เวลาที่ทุกข์ก็ไม่สามารถบังคับตัวเองให้ภาวนาได้เลยกลับปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับทุกข์ที่แย่ไปกว่านั้นคือเวลาทุกข์ ดิฉันไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เลยดิฉันรู้สึกว่าคนที่ไม่เข้าวัดภาวนาเขายังมีสติแล้ววุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่าดิฉันดิฉันรู้สึกท้อมากค่ะดิฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปดีคะเพราะการภาวนาของเรามันไม่ได้เป็นการภาวนาเพราะาถ้าภาวนามันต้องมีสติถึงจะเรียกว่าเป็นการภาวนา ถ้าภาวนามาเป็นปีแล้วไม่ได้ผลเลยก็แสดงว่าไม่มีสติเลยเมื่อไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะไปควบคุมอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ดงนั้นการภาวนานตัวตัวที่จะเรียกว่าเป็นตัวภาวนาก็คือตัวสตินี้ไม่ใช่ตัวร่างกายที่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแต่ปล่อยให้ใจลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ ผู้ปฏิบัติจึงต้องวัดผลของการปฏิบัติด้วยสติว่าเราเมตสติมากน้อยเพียงไรสามารถหยุดอารมณ์ต่างๆได้มากน้อยเพียงไรไม่ใช่ไปวัดเวลาที่เราภาวนาเดินจยงกรมนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิแบบใจลอยก็เหมือนกับไม่ได้ภาวนาไม่ได้เดินจยงกรมไม่ได้นั่งสมาธิ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าโกนผมและต้องโกนผมเดือนละครั้งเหมือนพระสาวกไหมครับเพราะเห็นในซีรีส์พระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปส่วนใหญ่มีพระโมลีก็คือผมใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่ประเด็นสาคัญแล้วแล้วพวกเราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นถ้ามาถกเถียงกันก็เหมือนพวกตาบอดคำช้าง เสียงไปก็ป่วยการเปล่ า, ลาดูเหตุผลของการปลงผมกันล้วกันว่าปรงไปเพื่ออะไรสำหรับพระก็เพื่อที่จะกําจัดการมาราคาอชอบความสวยความงามของร่างกาย 2. เพื่อความสะดวกเป็นพระนี่ต้องการที่จะอยู่แบบเรียบง่ายการปลงผมนี่มันง่ายที่สุดในเรื่องของการดูแลรักษาผมถ้าปล่อยให้มันยาวเดี๋ยวก็ต้องไปเปิดร้านตัดผมร้านเสริมผม ร้า น, นแต่งผมเดี๋ยวก็มาย้อมสีเขียวสีแดงเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายเนะทีนี้จะจะจะกรครั้งละหนึ่งเดือนเรือกี่เดือนก็ตามความเหมาะสมปัจจุบันนี้สงมีมติว่าให้โปรงกันเดือนละครั้งก็ทำไปตามมติของสงก็แล้วกันแต่บางวัดบางสายท่านก็โปรงทุกสิบห้าวันเช่นสายของหลวงปู่ชานี้ท่านจะนิยมโปร่งทุกสิบห้าวัน พราท่านว่ามันยาวแล้วเกินสิบห้าวันนี่มันเริ่มหน้าตาหล่อเหลาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะติดเดี๋ยวจะมาชวนภาพศึกคำถามต่อไปจากคุณศนีได้ฟังพระอาจารย์เทศว่าถ้าปฏิบัติได้โสดาบันแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะนิพพานโดยที่ถ้าไม่เจอศาสนาพุทธ ใจก็สามารถสอนตัวเองได้คืออยู่ในทางแล้วแต่สำหรับคนที่กำลังปฏิบัติแล้วเกิดเสียชีวิตก่อนได้โสดาบันถ้าทำบุญไว้มากจะสามารถเลือกได้ไหมคะว่าไม่อยากไปสวรรค์เสวยบุญเพราะรู้สึกว่าเสียเวลาไปอีกหลายพันปีแต่อยากเกิดเป็นม น, มนุษย์ต่อเลยในขณะที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่อีกสองพันกว่าปีนี้ เพราะยังมีครูบาอาจารย์ที่เจริญและสอนมาร์กและมีสัมมาทิฏฐิเพราะถ้าพลาดจากตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จึงจะเจอค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าชาตินี้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันแล้วไม่ยอมไปขึ้นรางวัลตอนนี้ก็ตั้งใจเดินตามมาร์กไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งอยู่ค่ะ แต่ไม่รู้จะเดินไปถึงในชาตินี้หรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าหนทางอีกยาวไกลเลยขอถามออปชันเสริมไว้ก่อนจะได้วางทางเลือกหางเสือถูกเผื่อกรณีต้องตายก่อนระหว่างเดินทางไปขึ้นรางวัลค่ะถ้าเราเลือกไปนิพานตอนนี้ไม่ได้แล้วเราจะไปเลือกไปเกิดที่นั่นที่นี่ได้อย่างไรถ้าเรา ถ้าเราเลือกได้แล้วก็เลือกเอาตอนนี้เลยสิเลือกเอาปฏิบัติให้มันถึงนิพพานในตอนนี้เลยเจ็ดวันก็เลือกก็พระพุทธเจ้าให้เลือกแล้วเจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้เจ็ดปีก็ได้ทำไมไม่เอาทำไมต้องกังวลว่าจะต้องไปเกิดในสวรรค์หรือไปไหนมาไหนในเมื่อถ้าเราความจริงเราก็เลือกได้อยู่แล้วเลือกเลือกเลือกเลือกที่จะบรรลุภายในเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีได้อยู่แล้ว แต่เรื่องที่จะไปเลือกไปสวรรค์หรือไม่ไปสวรรค์นี้มันเลือกไม่ได้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าทําไปแล้วเราไม่รู้ว่ากรรมอันไหนมันจะมาก่อนอันไหนมันจะแรงมันจะมันจะเบากว่ากันอาจจะไปเป็นไปเกิดในอบายก่อนก็ได้เพราะกรรมเก่าที่หนักมันอาจจะมีตกค้างอยู่ในใจของเราแล้วบุญใหม่ที่เราทํานี่มันมีกําลังต้านมันไม่ได้บุญเก่าที่มีกําลังหนักกว่า มันก็จะดันเราไปอบายก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของพบชาตินี้เราไปกําหนดไม่ได้เรากําหนดได้ก็ที่เหตุเท่านั้นก็คือพยายามทําเหตุที่ดีไว้ทําบุญอย่าทําบาปเ อ, อถ้ากลัวจะไปสวรรค์ก็อย่าไปทําบุญแต่อย่าไปทําบาปอย่างอนีเราจะนั้มั่นใจไงว่าถ้าเราไม่ทําบุญเนาะเดี๋ยวบาปเก่าที่มันมีกําลังมากกว่าบุญของเราต้านไม่ไหวมันก็จะดึงเราไปนรกซะก่อน ไปเกิดแนาะบายซะก่อนงั้นสู้ทําบุญไว้เผื่อไว้ไม่ดีกว่าแล้วเผื่อบาปเก่ามันหนักเราจะได้เอาบุญใหม่นี้มาต้านมันไว้เพื่อที่จะบุญใหม่นี้อาจจะดึงเราไปสวรรค์ระวังไปสวรรค์ระหว่งให้ไปเที่ยวกับไปติดคุกนี่เราจะเอาไหนไหนจะเสียเวลาแล้วก็เสียเวลาแบบไหนดีอไปเสียเวลาในคุกเจ็ดปีหรือไปเที่ยวเจ็ดปีอนี้อันไหนจะดีกว่ากันคําถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ พระที่บรรลุธรรมอรหันต์แล้วและโดนยิงตายมรณภาพคนที่ยิงจะตกนรกขั้นอนันตละกรรมไหมครับเหมือนพระเทวทัตเพราะพระท่านก็รู้ตัวว่าจะโดนยิงตายกรณีนี้เป็นกรรมของท่านไหมครับและคนที่ฆ่าพระอรหันต์โทษหนักมากไหมครับคิดว่าผู้ที่ฆ่าต้องรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ด้วย ถ้าท่านไม่ถ้าถ้าไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะรับกรรมนั้นหรือเปล่าเหมือนกับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่ของตนเช่นตอนเด็กพ่อแม่เอาไปฝากคนอื่นเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นมาแล้วมามีเหตุการณ์อะไรทําให้โกรธแค้นโกรธเคืองคนที่ที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่ไปฆ่าเขาเขาก็คิดว่าเขาเป็นฆ่าคนธรรมดาทั่วไป ก็คิว่าไม่น่าจะตกอยู่ในขายของอนันตริยกรรมการที่จะตกอยู่ในขายของอนันตริยกรรมได้ต้องรู้ต้องมีเจตนาว่าคนนี้เป็นใครแล้วเรามีเจตนาที่จะฆ่าเขาถึงจะตกเป็นในขายของอนันตริยกรรมค่ะำถามต่อไปจากคุณอนิจจังข้อที่หนึ่งหากว่าเทียบเวลาในสวรรค์นานกว่าในโลกมนุษย์นั้น แสดงว่าผู้ที่อยู่ในสวรรค์ก็มีโอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ใช่หรือไม่ครับเช่นถ้าเวลาในสวรรค์บางชั้นเป็นหนึ่งวันเทียบกับโลกมนุษย์ร้อยปีพุทธศาสนาแห่งสากยะบุตรของเราในปัจจุบันอยู่ได้ประมาณห้าพันปีของโลกมนุษย์ นั่นก็แสดงว่าบนสวรรค์ก็ใช้เวลาเพียงห้าสิบวันเองหากอายุของเทวดามีอายุราวหนึ่งพันปีทิพย์นั่นก็แสดงว่าเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปราวสามสิบหกล้านห้าแสนปีใช่ไหมครับโอ้ไปวุ่นวายกับเวลานั้นทำไมใครจะไปรู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วจะมีพระพุทธเจ้าไปโปรดหรือไม่ไปโปรด มันเป็นเรื่องที่มันมันคล้ายๆว่ามันมันห่างไกลจากตัวเราแนหะสิ่งที่ใกล้ตัวเราเรากลับไม่ทําสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้เรากลับไม่ทํากันกลับมาเสียเวลามานั่งจินตนาการกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่ไม่เกิดขึ้นก็ได้เสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เอาเวลารีบมาทําใจให้สงบมาพิจารณาไตายรักจะได้ประโยชน์กว่า จะได้บรรลุถึงพระนิพพานในภพนี้ชาตินี้จะได้ไม่ต้องมากังวลว่าชาติต่อไปจะได้เจอพระพุทธเจ้าหรือเปล่าข้อที่สองผู้ที่อยู่ในสวรรค์สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้หรือไม่หากได้จะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ในขั้นใดครับก็ไม่ท ร, ราบเท่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็ผู้ฟังธรรม เช่นพุทธมารดาก็ได้ขั้นพระโสดาบนันยังไม่ได้ยินว่ามีใครที่เป็นเทวดาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไม่ทราบมีหรือเปล่ามีเทา้เทาสักกะเทวาที่ละนี้ได้บรรลุ ป, ป่ามั้ยหรมีไหมก็รู้ว่าอย่างน้อยก็บรรลุเป็นโสดาบันได้ก็แล้วกันเอพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธมารดาที่เป็นเทพอยู่ หลังจากทรงโปรดสอนธรรมะอยู่หนึ่งพันษาก็บรรลุเป็น <c oughs> พระโสดาบันได้ข้อที่สามผู้ที่จะบรรลุธรรมขั้นอรหันต์ได้ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นใช่หรือไม่ครับยกเว้นพระอนาคามีที่อยู่ในสุทาวาทห้าชั้นก็มีพระพระ โสดาบันกับพระสกิดาคาเมที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าพระอนาคามีนี้ท่านไม่มีกามราคะแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นก็มีพระโสดาบันกับพระสกิดาคาเมที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปถึงขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันต์ตามลำดับไป อันนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมค่ะก็อยากถามข้อนึงก็คือว่าตอนเนี้ย哈หนูไปวดัดบางบางวัดอะคะ่ะแล้วก็จะเจอพระที่ว่าเลี้ยงสัตว์บา้างแล้วก็ทํากิจการเกี่ยวกับไม้ค่ะใจหนูก็เลยเป็นึกตำหนิแล้วก็มีความสึกไม่ค่อยดีกับพระตรงนั้ น, นะคะ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยมีคนบอกหนูว่าเออไปตำหนิพระไม่ถูกต้อง อยากที่จะให้เราอะมาขอขอมาตรงนี้ค่ะหนูไม่หนูก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าแต่ไม่ดีใจเลยค่ะคือก็ถ้าไปขอ ข, อขอมาแล้วทำให้เราสบายใจก็ไปถ้าเราสํานึกผิดแล้วเรายุติการวิภากษ์วิจารณ์ท่านมันแล้วเราสบายใจก็ไม่ต้องไปก็ได้การขอ ข, อขอมาก็เพื่อที่จะให้เราสํานึกผิดในการการะทําของเราเพื่อใจเราจะได้สบาย ถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปขอขมาท่านท่านก็้า จ, จะไม่รู้อินโอเอเนอะไรกับเราแล้วเมื่อเรารู้ว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเราก็ยุตินั้นแล้วเราสบายใจมันก็ปัญหามันก็จบไปมีอะไรไหแต่วันนี้หนูอยากที่จะจริงๆแล้วหนูหนูหนูไม่กล้าที่จะไปขอขอมาท่านองค์นั้นวันนี้หนูขออนุญาต ในตัวแทนของพระอาจารย์ได้ไหมคะนุนขอโอ้ยมันค <ขอ S 2> นละเรื่องกั น, กนไปตหีหัวคนนั้นแล้วมาขอขมาคนนี้มันไม่่งค่ะ <c oughs> ก็ต้องไปไปขอขมาคนที่เราไปตีหัวก็เลยว่าขอโทษเมื่อกี้ตีหัวคุณไปคือคื อ, ค อ, คอถ้านอาจารย์คก็คือว่าอย่างหนูมันอยู่ในความคิดอะค่ะแต่การที่จะเอ่ยปากไปตําหนิอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้กระทําอย่างนั้นนะคะก็อยู่ในความคิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็หยุดความคิดนั้นก็จบอไม่ไม่ต้องไปขอขมาก็ได้ ถ้าเราไม่มีอะไรข้างคาในใจเมื่อเรารู้ว่าคิดแบบนี้ผิดเราหยุดคิดมันก็จบการขอกรรมาหรือการไปแสดงอาบัติของพระนี่ก็เพื่อที่จะสารภาพว่าได้คิดไปในทางที่ไม่ถูกหรือได้กระทําไปในทางที่ไม่ถูกจะขอยุติการกระทําเหล่านี้โดยขอให้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นสักขีพยาน เพราะว่าถ้าไม่มีสักขิพยานเราอาจจะเดี๋ยวกลับมาทําผิดใหม่ก็ได้แต่ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราจะไม่กลับไปทําผิดอีกแล้วก็ไม่ต้องก็ได้เพราะท่านก็ไม่รู้ว่าเราคิดอย่างไรใช่ไหมถ้าถ้าเป็นพระถ้าท่านรู้ท่านก็ให้อภัยอยู่แล้วท่านไม่ถือโทษกิดเกลีว อ, อยู่ที่เราให้อภัยตัวเราเองได้หรือเปล่าเราเรายุติการกระทําที่ไม่ดีนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง